ในนี้มากับฟังก็ทีเดียวก็เลยฟองการฟังแค่ทีเดียวไม่ต้องขยายหลายครั้งตั้งใจฟังให้ดี ตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นมาอบุ้งแต่งยังไงล่ะมันปรุงแต่งมาจากธาตุธาตุผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ถ้าบวกอากาศก็มีธาตุอากาศเป็นธาตุแล้วก็แล้วก็ธาตุรู้หรือธาตุว่าง ธาตุจิตหรือธาตุใจหรือธาตุวิญญาณที่เป็นความว่างหรือธาตุลมมันรวมแล้วอถ้าไม่รวมอากาศก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้หรือธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณซึ่งเป็นความว่างเราเนี่ยรวมแล้วเน่ยเดี่ยวห้าธาตุร่างกายใจเรามีห้าธาตุถ้าไม่รวมอากาศแล้วถ้ามีอากาศก็เลยมาหกธาตุเนี่ยเราเนี่ยมาจากการผสมปุงแต่งกันของห้าธาตุธาตุดินนี่ลักษณะเป็นยังไง ก็คือของแข็งตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วน้องพี่นาตามไปว่ามันจริงหรือเปล่าธาตุดินเนี่ยมันเป็นของแข็งในร่างกายเราั้งหมดออมีอะไรบ้างละ่ะก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูตับไตไตน้อยไ้ใหญ่มา้ามตับปอดหัวใจ นี่คือธาตุดินธาตุดินแล้วธาตุน้ําในร่างกายเรามีธาตุน้ำธาตุดินเนี่ยมันก็คือเหมือนดินเนี่แน่พอเผาแล้วมันก็เป็นขี้เถ้าขี้ดินนี่หลยเนี่ยพอเผาเสร็จแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าขี่ดินตายแล้วก็เน่าเปื่อยปูพังครัไปเผาก็เป็นขี้เถ้าขี้ดินเนี่ยแน่ก็คือเป็นดินนี่แน่เป็นดินเนี่ยแต่มันมาบรรวมตัวกันอ่ยแล้ว ดินแล้วก็น้ำธาตุน้ำธาตุน้าในร่างกายเรามีธาตุน้ำพอสมกันน้ําน้ําอะไรก็คือน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําปัสสาวะน้ําไขมันข้นน้ําไขมันเหลวน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเงือพวกเหล่านี้ยมันเป็นธาตุน้ำธาตุน้ําแล้วก็เวลาตาย ธาตุดินกับธาตุน้าก็เน่าแยกออกจากกันเวลาเผาธาตุน้ําก็ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าส่วนถ้าไปฝังธาตุน้ํามันก็เน่าแล้วมันก็ซึมหายไปในดินบางส่วนก็โดนความร้อนเผาก็หายขึ้นไปในอากาศแล้วก็มันก็ไปตกเป็นฝนลงมาแล้วคนอื่นก็กินต่อไปอีกกินเป็นน้ําออกไปน้ําเนี่ยมันก็เป็นธาตุน้ําธรรมชาติคนอื่นก็กินต่อไปคนไหนตายอะไรแล้วไปเผา มันก็ลอยระเหยเป็นควันไปกับควันไฟไปกับอากาศที่เราไปไปเผาตามเมนเนี่ยวันก็ลอยขึ้นไปเป็นป่องในป่องเนะี่ยไฟเผาก็น้ำก็ระเหยขึ้นไปเราไปตกเป็นฝุนออกมาแล้วก็พวกเราก็มากินกันน่ะเราก็อยู่ในร่างคนนู้นร่าอันนี้มันเป็นธาตุของธรรมชาติไม่ได้เป็นของใครที่ทเป็นถาวนยั่งยืนเพราะตายแล้วมันเลยเผาก็ อ, อยหรือเป็นแค่ถ้าขี้ออกมา กินเสร็จเนี่น้ำท่านกินน้ําที่ไหนก็ไปเนี่ยก็น้ําของธรรมชาติแต่พออยู่ในตัวเราละว่าน้ําของกูน้ําของกูแต่น้ําที่ท่านกินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยของธรรมชาติเราพิจารณ์ดีนะเราเนี่ยไปกี้ตัวของธรรมชาติมาเรากินน้ำเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันวันนึงไปรู้กี่ขวดเนี่ยเรากินน้ําของธรรมชาติแล้วเราก็ไปตัวว่าน้ําในร่างกายเราเนี่ยเนี่ยของกูของกูของกูเสร็จแล้วกินไปก็ฉี่มาแล้วก็ระเหยออกไป ไปเป็นน้ําในอากาศแล้วคนอื่นก็กินต่อไปอีกไอพีมันระเหยไปซื่งมัได้ดินไปฉีดต้นไม้แัะกระดูกเอาขึ้นมาแล้วก็มีผลไม้มีเป็นพืชผักมาให้เรากินเราก็กินน้ําในพืชผักในผลไม้เราแต่ละคนก็กินน้ําของคนอื่นเรื่อยไปที่ตายเนี่ยลดส่วนธาตุดินละ่ะธาตุดินไปนเผาเสร็จเป็นขี้เถ้าแล้วเสร็จแล้วก็กไปออยองคาาารทิํเอาไปล อ, อ, อยอากาศ เอาไปไว้ตามเมนตามอะไรก็เหลือบางส่วนเสร็จแล้วพอเขาจะสร้างวัดวารามเขาก็เอาเอารถถ่ายถ่ายเกศไอ้ไอ้พวกเมนเก่าๆอะไรก็ไอ้พวกที่บรรจุ ก, กระดูกเก่าๆก็เขาก็ถ่ายเกศทิ้งเราเอาไอ้พวกโอที่ใจเลยนะกับเททิ้งไปก็กลายเป็นผมวัดไปเนี่ยแล้วเขาก็มาปลูกต้นไม้ผลละหมากลาบไม้เอามาให้เรากินเราก็กินน้ำในที่ต้นไม้มันดูดมาจากแร่ธาตุในดิน แล้วแร่ธาตในดินของใครก็ของเราทุกคนเลยนะที่ตายมาแล้วหลายพบหลายชาติก็กินกันไปกินกันมานี่เนะี่ยมันเป็นธานตามธรรมชาติาต่อตอนนี้ทานุลมล่ะเนี่ยลมตดลมเลอเออเออเออลมตดปุ้งปู้งปุ้ปุ้เนี่ ย, ล ม, ล, ม ล, ล, มยลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซออกซิเจนเนี่ยแล้วเวลาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็ออกแล้วกับก๊าซออกซิเจนก็เข้ามาก็ไหลเวียนไปอย่างเงี้ยไหลเวียนไปพอเราตายแล้ว การเอาข่าวใจเอาใส่กับการที่เยียกมัก็ออกไปหมดแล้ว <clicked> มันหายไปไหนก็หายไปในอากาศเลยโคตรต่างๆก็หายใจเอาเข้าไปเนี่ยแต่เราก็ไปบอกว่าลมหายใจเราเนี่ยเป็นของกูของกูของกูนี่มันไม่รู้ของใครเป็นของใครของธรรมชาติแต่เราว่าดินก็ของธรรมชาติน้ําก็ของธรรมชาติลมหายใจก็เป็นของธรรมชาติไฟก็เป็นของธรรมชาติเราเนี่ย หายใจเอาเนี่ยมันอยู่โดนแดดถ้าไม่มีแดดมันตายกันไปนานแล้วไม่มีดวงอานทิตย์ตายกันไปหมดมันหนาวจาัดหนาวจนแข็งเ่ยตายไปหมดแล้วเราเป็นองธรรมชาติแต่ลราขี้สูดของเราแล้วธาตุรู้เอธาตุรู้ก็เป็นความว่างเปล่ามันมีเป็นรู้แต่มันมีความว่างมือนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลตัวตนไม่มีหรอกไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยอะไอธาตุรู้เนี่ยมันมีแต่รู้ แต่มันมันจะมีมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปุงแต่งอะไรไม่ได้ตรงนี้สํคาคัญให้ดีแล้วฟังให้ดีนะตรงนเนี้ยเนี่ยธาตุรู้วิชาตดินก็ไม่ได้แต่ทําหนา้าที่เป็นดินแข็งแข็งแข็งแข็งอย่างเดียวไอ้ธาตุดินก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรไม่ได้เนี <S <S 1> <S 1> <S ่ยธาตุดินเนี่ยมันก็ได้แต่แข็งแข็งแข็งอย่างเดียวเนี่ยเป็นขี้เถ้าเป็นทุรีมันก็ใครไปตีมันไปทุบมันก็มันก็ไมเจ็บไม่ปวดไม่ร้องพอถ้ามันออกจากละถ้าเกิดไอ ธาตุมันแตกออกกันแล้วดินน้ําลมไปแล้วไอธาตุรู้เนี่ยธาตุว่างเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วเราไปทุกธาตุดิ้นยังไงอ่ะมันก็ไม่ร้องเราไปทุกธาตุน้ํำยังไงอ่ะมันก็ไม่ร้องเราไปทุกธาตุทุบธาตุลมยังไงมันก็ไม่ร้องไปทุกธาตุไฟยังไงก็ไม่ร้องเราไปทุกธาตุรู้ที่มันว่างเปล่าไงมันก็ไม่มันก็ไม่โดนอะไรเพราะมันเป็นความว่างและธาตุดินเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพราะมันแยกแล้ออกไปแล้งธาตุน้ํามันก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ไอ้ธาตุลมหายใจมันก็ไม really <c ough> ่ม <quant> ีความรู้สึกมันคิดอารมณ์มันแยกกับจักรแล้วไอ้ธาตุไฟมันก็มีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นก็เป็นแต่ความว่างเป็นแต่รู้มันก็ไม่มีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ตรงเนี้ยสําคัญมากไอ้ตรงไอ้ธาตุแต่ละธาตุที่มันคิดปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีความรู้สึกมันคิดอารมณ์มันได้แต่รู้แต่มันคิดปรุงแต่งอะไรไม่ได้เนี่ย แต่พลอยห้าธาต์มารวมกันดินน้ำลมไฟแล้วก็ธ า, าตุรูมารวมกันมันมีความรู้สึกสัวคิดอารมณ์ขึ้นมาเลยเป็นชีวิตขึ้นมามันเป็นชีวิตขึ้นมาเลยพอ ม, มันรวมกันห้าธาต์เนี่ยมันเป็นชีวิตขึ้นมาเลยพอเป็นชีวิตขึ้นมานปุ๊บมันมีความรู้สึกตัิดอารมณ์เราคิดปุงแต่งได้ออ้ทีเราคิดปุงแต่งได้มันคือเอาธาตุห้าธาต์มารวมกันเราจะมีความรู้สึกตัวคิดอารมณ์ปรุงแต่งมีความเป่งมีความเจามีความดิ้ล้นล ม, มีความค้นหามีความพยายามมีมีอารมณ์มีโกรธมีเกีมง เพราะมันเกิดจากห้าธาตุประรวมกันจึงมีความปุงแต่งนะดังนั้นเนี่ยสังหาเราทั้งหมดเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ช้าหรอกเมื่อสิ่งใดเป็นสิ่งคุงแตง่งมันไปขอผสมกันมันไม่ไม่ใช่เป็นของเพียวๆมันไปขอผสมกันมันจึงมีความค่อยๆเสื่อมเหมือนกาวอะเหมือนกาวที่เอามาติดกาวตาช้างกาวหลาเท็กที่เอามาติดอ่ะแล้วมันก็ค่อยเสื่อมหมดคุณภาพ แล้วไอ้ห้าธาตุที่มันผสมกันเนี่ยมันค่อยค่อยหมดหมดสภาพเสื่อสภาพเราเรียกว่าแก่แล้วก็เจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็ตายแล้วก็กาวหมดสภาพมันกาวหมดสภาพมันก็แตกสลายไปเป็นธาตุถ่ายธาตุปันธาตุดินก็ไปเป็นดินธาตุน้ําก็ละเลยไปธาตุลมก็ละเลยไปธาตุไฟก็ละเลยไปธาตุรู้ก็กลับหรือถูกความว่างเปล่าเนี่ยคือมันก็เป็นธาตุถ่ายธาตุมันกลับไปอย่างเนี้ยแต่พลอยห้าธาตุมันรวมกันแล้มันก็มีชีวิตขึ้นมา มีเป็นร่างนู้นร่างนี้ไปเป็นร่างคนที่มีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปไปเป็นร่างสัตว์เดรัจฉานเป็นเพศต่างๆเป็นนกเป็นหนูเป็นสัตว์ปีกเป็นแมลงเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นงูเป็นตะกรวดเป็นเป็นประเภทเป็นปลาในน้ําเราเป็นน้หมดแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเนี้ย่ะพอห้าท่าไปรวมกันปุ๊บมันก็เป็นร่างกายเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าเป็นเป็นร่างอะไรแต่บุญกบฏนี่กบุฏกบบแล้วโดนส่งผลไปไม่เป็นอะไรเรายึดติดอะไรนั่นคือบาป มันก็ไปเป็นเป็นอะไรต่างๆกันแล้วในที่มารวมกันเนี่ยลูกห่านแบบเนี้มันเป็นของสมมุติอยู่เชั่อข่าวทุกคนเนี่ยอยู่กับสมมุติเชื่อข่าวเพราะอะไรมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆจากเด็กจะไปคนหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวก็เลยเป็นคนแก่จากคนแก่ก็ไปคนเฒ่าจากคนเฒ่าก็จะหลายกลายเป็นคนตายน่าเปิดภูฟังแล้วกลับไปเป็นธาตุถ้าเราังไม่เข้าใจตรงเนี้ย เราก็รุ่มหลงจริๆงๆเงันจังนะรุ่มหลงตัวเราจริๆๆงๆเงันจังแล้วก็เราเนี่ยเอาตัวเราไปลุ่มหลงก็คือจริงๆเงันจั ง, mm. จงเราว่าเราจะไม่ตายจากกันเราจะอยู่กันจนเป็นอามาตคําฟ้าเราเนี่ยจะต้องไม่แก่จะต้องไม่เจ็บจะต้องไม่ตายแต่เราเป็นธาตุผสมมันอยู่ได้เชั่อคราวสิเพอาะชื่อมันบอกแล้วว่าผสมมันเป็นของสมมุติมันอยู่ได้เชั่วคราวไม่ช้าหรอก มันมันก็เสื่อมอยู่แล้วตลอดเวลาเราไม่เห็นอยู่เนี่ยเราเนี่ยจากเด็กเนี่ยเหมือนเด็กสองคนอย่างเราสองคนเนี่ยเราก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวมีผัวมีเมียกันจะมีลูกมีหลานนี่เป็นเป็ น, ปนธรรมชาติที่เกิดมาตร้างเผ่าพันธุ์เสร็จแล้วพอลูกหลานโตเราดูที่เราหลายคนที่มานั่งในนี้ปู่ย่าตายายอมมาโปกอาว่าไปเรียกคนนั่ น, น, นเนี่ยโตขึ้นขนาดเนี่ยบางคนก็พ่อแม่เขาไปนะั่ง พอลูกโตพ่อแม่ก็แก่เท่าพอหลานโตพ่อแม่กับปู่ย่าตายายก็ตายอย่างลูกก็กลายเป็นคนแก่หลานก็กลายเป็นคนหนุ่มคนสาวหลานมีลูกหลานนั้นก็กลายเป็นคนแก่รุ่นเลนมันก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวธรรมชาติมันเจ็บปวดจริงๆแบบนี้ไหมคลื่นลูกหลัง ไล่คืนลูกแรกให้จากไปบางทีพลาดพังไปเด็กตายก่อนผู้ใหญ่ก็มีเยอะไม่ทันหรอกได้แก่เท่าแต่ธรรมชาติไปทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ธรรมชาติต้องพัดพาทุกคนการเป็นอยู่ผัวเมียลูกหลานสมบัติทรัพย์ฐานบ้านช่องชั่วคราวเขาจึงเรียกว่าสมมติเพราะชั่วคราว เป็นสามีกันชั่วคราวเป็นเธออยากกันชั่วคราวเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสมบัติรัตฐานกันเป็นของของครูสมบัติของผิวโลกผัดกันชมเกิดกันสลับสมรู้บางสลับว่าตรงนี้บ้าเกิดประชาติั้นชาตินี้แล้วก็แย่งกันที่ผิวโลกแต่เป็นของชั่วคราวมันไม่ใช่ของของเราที่แท้จริงเพราะมันเป็นผิวโลกเมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงอยู่อย่างเนี้ยพิจารณาถึงความจริง เพรความจริงมันเป็นความจริงที่หนีจากความจริงไปไม่ได้ทุกคนแค่น้อมจิตวิจารณาก็เข้าใจถึงความจริงอันนี้ได้ว่าทุกคนที่สุดเกิดก็เพื่อตายมีทุกอย่าง ก, ก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัฒนาไม่มีใครหนีกฎเกณฑ์อันนี้ไปได้เลยนี่คือธรรมชาติที่เจ็บปวดจริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่ามีแต่ทุกเท่านั้น ที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกขานั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกขานั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับไปคนที่ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างนี้ตั้งแต่แรกเท่านั้นใจจริงจะปล่อยวางความหลงหยึดมั่นถือมั่นไม่งั้น จะหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงจรงจังๆแล้วก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นคนอื่นสิ่งอื่นว่าเป็นของของกูนี่เป็นของของกูของของกูจริงจงจัง ๆ, ๆไม่มีหรอกยึดอะไรได้ตัวตนของคนยึดก็ดับหมดสิ่งที่จะยึดก็ดับหมดตัวเราผู้ยึดก็ดับหมดมันดับทั้งหมดแน่จะเอาตัวเราไปยึดอะไรเรา จะเอาตัวเราไปพยายามทําให้ตัวเราบรรลุอะไรหรอมันดับปดเนี่ยจะทําให้ตัวเราบรรลุไอ้นั่นบรรลุไอ้นี่จะพยายามทำให้ตัวเรารูแ้แจ้งทําทําให้ตัวเราหลุดพ้นอะไรยุ่วดวายอยู่ข้างในไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีมันจะดับไปส่วแล้วดับไปเหลือแล้วส่วนกลับคืนไปสู่ความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของจักรวาลแต่มันไม่ยอมจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลวุน่นวายไปเอาตัวเราปรุงแต่งตัวเราปรุงแต่งถ้าตัวเราปรุงแต่งอย่างเนี้ยเกิดไปก็ต้องไปเกิดใหม่ปรุงแต่งอยู่นั่นแต่วราเราเอาตัวเราไปเป็นตัวไม่ปรุงแต่ง มันเป็นวิสังขารหรืออสังขตรธาตุเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจมีอะไรปรุงแต่งมันได้มันเป็นสุญญตาธาตุเนี่ยมันเป็นความว่างสุญญตาแปลว่าความว่างจากความปรุงแต่งหรือวิสังขารอสังขารธาตุสุญญตาธาตุมันอันเดียวกันคือปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไม่ได้แต่งปรุงแต่งมันไม่ได้มันมีกริยาอาการไม่ได้มันคิดมันนึกมันสึกมันตอมมันมีความรู้สึกมันผ่องใสมันเศร้าหมองไม่ได้ มันสุกไม่ได้มันทุกข์ไม่ได้มันผ่องใสไม่ได้มันเศร้าหมองไม่ได้มันเอามาคิดติดลนค้นหาเหตุผลไม่ได้มันเอาบุ๊ปูแต่งพยายามทําให้ได้เป็นอย่างวุฒิพยายามบุงแต่งอย่างนี้พยายามวิเคราะห์พยายามพยายามสลัดทิ้งจากตัวนี้ให้เรา่ะเป็นตัวไม่ปรุงแต่งพยายามไปเอาไปสลัดสิ่งที่ปรุงแต่งออกไปไห้เหลือเราอะเป็นไม่ปรุงแต่งมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรามันคือความไม่ปรุงแต่งเราเอาตัวเราไปปุงแต่งไม่ได้เดี๋ยวเราสอนเนี่ยเดี๋ยวก็เอาละ ก็ผมพยายามจะให้ผมไม่ปรุงแต่งมันทําไม่ได้สักทีก็เมื่อพยายามไปทําให้ผมไม่ปรุงแต่งมันก็คือปรุงแต่งอยู่แท้แต่มันก็ก็บอกอย่าไปปรุงแต่งมันถ้ามันปรุงแต่งเป็นพยายามปรุงแต่งมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวเราสิ่งใดที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่เป็นตัวเราทั้งหมดมันอยากจะพยายามไปปรุงแต่งยังไงมันอยากจะไปดิ้นรนไปค้นหาไปวิเคราะห์วิจาร์วิจัยยังไงเราจะไปห้ามมันกระโดดไปไอตัวมันเกิดกระโดดไปห้ามเข้ามันก็เป็นตัวปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแก่นั่งเราก็รอจนกว่าเมื่อไหรับ เพราะขันห้าร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งปรุงแต่งหมดเราก็รอเมื่อไหร่ันจะดับสักทีมันดับเมื่อไหร่สักทีมันก็จะได้หายตัว ไ, ไปเพราะว่ามันเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแ ต, งรรต่ ง, ต ง, องกกนนไอ้ธรรมชาติปรุงแต่งก็รอมันจนกว่าจะต้นอายุไขัยธรรมชาติปรุงแต่งก็ดับไปมันจะได้เหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งแต่ตอนนี้ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันลงกว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งเราจะไปแยกมันไม่ได้เราก็ว่าเป็นของที่อยู่ด้วยกัน เราจะแยกกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง อ, อ่าจะความปรุงแต่งแยกไม่ได้จะแยกก็ต้องตายก่อนดิเพราะเป็นของขันห้าต้องอยู่ด้วยกันมันข้ออะไรมันเอาธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือวิสังขารนี่ยธานรู้เนี่ ย, ยมันมารวมกับธาตุดินน้ําลมไฟแล้วก็ธาตุที่ไม่ปรุงแต่งวิสังขารมันเอาผสมปรุงแต่งกันเป็นขันห้ามันเป็นไอธาตุเนี่ยดินน้ําลมไฟและธาตุรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ย มันมารวมกันซะแล้วไปขันห้าไปแล้วเราแยกยังไงอะหรือเราแยกออกมาก็ต้องตายเพราะมันไปของรวมกันไปขันห้าไปแล้วอ่ะแต่ในขันห้าเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยู่แล้วเนี่ยก็รอสิเออรอชักว่าไอขันห้ามันจะดับพอขัน้าดับตอนนี้มันก็ท่าคลายทัดมานแล้วตอนนี้ยดินก็ไปดินน้าก็ไปน้ําลมก็ไปลมไฟก็ไปไฟไอธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอะเดี๋ยวแต่ความรู้ที่ว่างเปล่ามันก็ไปกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเพราะมันเป็นท่าที่ไม่ปรุงแต่ง แต่เราจะไม่ตายจะไปแยกไงเพราะมันเป็นของที่มันห้าธาตุมารวมกันเป็นขันห้าเราถึงไปแยกเข้าธาตุมาเขาตายแล้วตอนเนี้ยตายเลยจะไปแยกเอาตัวเราเอาตัวไม่ปรุงแต่งออกมาจะกควาปรุงแต่งมันทําให้ได้เพียงแต่ว่าเราเข้าใจด้วยใจของเราว่าเออมันรวมกันอยู่ตอนเนี้ยไอขันห้าเนี่ยมันมีความไม่ปรุงแต่งอยู่ในขันห้าด้วยมันรวมกันอยู่เพราะมันเอาไอธาตุที่ไม่ปรุงแต่ง รว ม, มกับธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟแล้วก oh. ็ธาตุรู้เป็นธาตุมันเป็นธาตุเพียวเพียวทั้งหมดที่มัปรุงแต่งธาตุดินมันก็ไม่ปรุงแต่งธาตุน้ํามันก็ไม่ปรุงแต่งธาตุลมมันก็ไม่ปรุงแต่งธาตุไฟมันก็ไม่ปรุงแต่งธาตุรู้ก็ไม่แต่งมันธาตุเพียวเพียวไอธาตุนี้มันเผายังไงมันก็กลับไาเป็นธาตุเพียวเพียวของมันคือไอธาตุดินมันก็เป็นธาตุเพียวเพียวเผายังไงก็ไปเป็นมันก็ไปเป็นดินไอธาตุน้ําเผายังไงก็ระเหยออกไปเป็นน้ําเพราะมันเป็นธาตุพื้นที่สุดก็มันก็ไปจบแค่นนเดิพียว เผาอย่างไรอ่ะไอ้ธาตุน้ำเนี่ยมันาเปียวๆมันก็ไปจบเป็นธาตุน้าเปียวๆไอ้ธาตุลมหายใจเผาอย่งไรก็ออกไปตายแล้วมันก็ออกไปเป็นธาตุลมเปียวๆไอ้ธาตุไฟอ่ะตายแล้วมันเป็นธาตุไฟเปียวๆก็เป็นเป็นธาตุธรรมชาติเปียวๆไอ้ธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเป็นธาตุความรู้ว่างเปล่าเปี่ยวๆมันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์น้าลมไฟเนี่ยเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติคือธาตุที่บริสุทธิ์คือเป็นธาตุเปียวๆผมว่าตามธรรมชาติทาลายอย่างไงก็ไปที่สุดแค่นั้นแหละ แต่มาเนี่ยเมื่อห้าธาต์มารวมกันมากาเป็นขันห้าเงี้ยมัารวมกันจะได้เป็นขันห้าแต้ขันห้าเนี่ยมันมีอยู่ห้าธาต์อยู่ด้วยกันเออมันก็อยู่ด้วยกันะแล้วไอ้ขันห้ากายธาต์ดินน้ำลมไฟและธาตุรู้เนี่ยห้าธาต์เนี่ยมันก็มาอยู่ด้วยกันเะแต่มันปกปุงเป็นขันห้าที่มันมีความรู้สึกมีกิดอารมณ์มีตาหูจมูกดิ้นกายใจมีการรับรู้ได้ทางตาหูจมูกดิ้นกายใจก็จนกว่าจะสิ้นอายุไขัะการรับรู้ทางตาหูจมูกดิ้นกายใจก็ดับไปความรู้สึกมีกิดอารมณ์ ไอ้ล่างกายทั้งหลายก็ดับไปเพราะเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วมันจะเรียกกลับไปเป็นธาตุเพียวๆดินก็ไปดินเปลี่ยวๆน้ําก็ไปเป็นน้าเปลียวๆลมก็ไปเป็นลมเปลียวๆไฟก็เป็นไฟเปลี่ยวๆธาตุรู้ที่วางเปล่าก็กลายเป็นธาตุรู้ที่วางเปล่าเป็นธรรมชาติไปเปลี่ยวๆเออมันก็เลยเหลือแต่รู้เนี่ยที่มันเป็นธาตุที่มันมีความรู้อะไรได้ไอ้ดินมันรู้อะไรไม่ได้น้ํามันรู้อะไรไม่ได้ลมมันรู้อะไรไม่ได้ไฟมันรู้อะไรไม่ได้มันก็เหลือแต่ธาตุรู้อันเดียวที่มันรู้อะไรเท่าไรได้แต่มันหายตัวไปแล้วไง เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันเลยกลายเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ว่างแต่มันเกิดเป็นเนื้อเดียวกันแต่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าเนี่ยมันไม่มีความรู้อะไรแต่ธาตุรู้เนี่ยที่เราหายตัวไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้แต่มันเป็นเนื้อเดียวกับความว่างพระเจ้าจึงบอกตัดกับพระอนุนว่าอานุ์เราตถาคตไม่ได้เกิดเราไม่ได้ตายเป็นแต่ธาตุมันแตกเข้าไปขันมันดับไปตถาคตรวมไปเป็นเดียวกับ ธรรมชาติที่ว่างเปล่าท่านรู้ที่ว่างเปล่าหายไปเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในทุกที่อยู่ในธรรมชาติในทุกที่อยู่ในดินในน้ําในลมในไฟอยู่ในอากาศอยู่ในแสงแดดอยู่ในร่างกายในจิตใจของทุกคนพุทธเจ้าเป็นศาสว่าผู้ใดเห็นธรรมแล้วเป็นธรรมแล้วผู้นั้นก็จะพบเราตถาคนเห็นเราตถาคนมันเป็นเปธาตุอันเดียวกันดังนั้นพอเป็นธาตุอันเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็จะมาในสมมุติก็ได้หายไปเป็นที่สมุติก็ได้เพราใจมันเป็นได้ทั้งสมมติและไม่สมมติ พอเสรแล้วก็ออมันเป็นสมมติก็ได้พอเจอกันในสมมุติก็ได้หายตัวไปแล้วก็กลายเป็นวิมุตไม่เจอกันเองเราหายไปเลยแล้วก็พอจะเป็นมาเจอกันก็เป็นสมมติมาพอสมมติเสร็จแล้วก็หายไปเป็นวิมุตแต่เราเนี่ยมันเป็นสมมติตลอดแล้วมันยึดมันยึดสมมติเป็นจริงจงจังๆเราเป็นวิมุตไม่ได้เรามีภาคเดียวคือภาคสมมุติตลอดจนเราที่ปิบจาวันเป็นวิมุตไม่ได้สักที่ะยึดอย่างเดียวไม่ยึดไม่เป็น เราใช้ไม่เป็นเราใช้สมมติไม่เป็นเราใช้สมมติแบบยิดจริงๆอย่างจริงยึดเป็นตัวจริงจังเราเลยหายตัวไม่ได้อืเราต้องพร้อมที่จะหายตัวได้ตลอดเวลาทุกทุกขณะปัจจุบันแต่ตอนนี้มันเป็นขันห้ากาใช้ขันห้ามันไปใช้เป็นประโยชน์แต่ใช้แบบไม่ยึดไม่ยึดถือตั้งตัวเรามันเป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตัวจริงๆอย่างจรงๆั้งร่างกายจิตใจไม่ไปยึดมันเป็นจริงจังแล้วไม่เอาตัวเราไปยึดคนอื่นจริงจังเรื่องจริงจังก็ทำหน้าที่ไฟอย่าไปยึดกัน กันแน่แน่มันยึดกันไม่ได้เดี๋ยวมันต้องพพัดลาดจากกันไปเออเข้าใจแค่นี้แนะ่ธรรมชาติแค่นี้จริงๆของสวรรค์ก็แค่นี้จริงๆ